สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิษยพิบาลนะครับในเช้าวันนี้เป็นเช้า ว, วันจันทร์เรากลับมาในพระธรรมหนึ่งพงศษบทที่17ข้อที่17หนึ่งพงศษบทที่17ข้อที่17จนถึงข้อที่24โปรดฟังพระว จ, จนะของพระเจ้าต่อมาบุตรชายของหญิงนั้นล้มป่วยอาการสุดหนักลงเรื่อยๆและในที่สุดก็สิ้นลมนางจึงกล่าวกับเอลียาว่าโอ้คนของพระเจ้า ทำไมถึงทํากับดิฉันอย่างนี้ท่านมาที่นี่เพื่อจะเตือนให้ระลึกถึงบาปของดิฉันและประหารลูกชายของดิฉันหรือเอลิยาตอบว่าส่งลูกของเจ้ามาให้เราสิแล้วเขาก็รับตัวเด็กนั้นจากอ้อมแขนของแม่อุ้มขึ้นไปในห้องชั้นบนซึ่งเขาพักอาศัยอยู่วางเด็กนั้นลงบนเตียงของเขาแล้วร้องทูลองพระพุทเจ้าว่าข้าแต่พระยาเวพระเจ้าของข้าพระองค์ พระองค์ทรงนำความทุกโศกมายังหญิงไม้ซึ่งข้าพระองค์อาศัยอยู่ด้วยนี้โดยทำให้ลูกของนางเสียชีวิตหรือแล้วเขาเหยียดกายทับตัวเด็กนั้นสามครั้งและร้องทูลองค์พระผู้เป็นเจ้าว่าข้าแต่พระยาเวพระเจ้าของข้าพระองค์ขอโปรดให้เด็กชายคนนี้ฟื้นคืนชีวิตด้วยเถิดองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงฉดฟังคำร้องทูลของเอลียาเด็กนั้นก็ฟื้นคืนชีวิต เอลิยาจึงอุ้มเขาลงมาข้างล่างมอบให้มานดาและกล่าวว่าดูเถิดลูกของเจ้ายังมีชีวิตอยู่หญิงนั้นจึงกล่าวกับเอลิยาว่าตอนนี้ดิฉันทราบแล้วว่าท่านเป็นคนของพระเจ้าและพระราชนะขององค์พระุนเจ้าจากปากของท่านเป็นความจริงพี่น้องครับขอบคุณพระเจ้าครับในเช้าวันนี้พระราันะของพระเจ้าได้มาย้ำเตือน ให้เรานั้นได้เชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าและเชื่อฟังพระวจนะที่ออกมาจากคนของพระเจ้าสิ่งที่สำคัญในพระคัมภีร์ตอนนี้เกี่ยวเนื่องกับผู้หญิงคนนี้ก็คือท่านเป็นหญิงไม้ที่ซาเรฟัตเมืองซาเรฟัตนั้นเป็นเมืองที่เรียกว่าอยู่ในต่างชาติครับไม่ใช่อยู่ในแผ่นดินอิสราเอลและในขณะเดียวกันครับ อยู่ในแคว้นฟินิเซียซึ่งเป็นสถานที่หรือว่าเป็นศูนย์กลางของการกราบไหว้พระบาอันพระบาอันนั้นเดิมทีเป็นรูปเคารพเป็นพระต่างชาติที่เกี่ยวข้องกับความอุดมสมบูรณ์แต่เวลานี้ครับแผ่นดินทั้งอิสราเอลก็ดีแผ่นดินฟินิเซียก็ดีก็กลายเป็นถิ่นทุรกันดารเพราะเนื่องจากอดอยากครับ การกระดานอาหารนั้นได้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นขณะที่พระเจ้านั้นได้ทรงทรงให้เอลียาห์นั้นรีภัยพระเจ้าก็ให้นกกาเลี้ยงเอลียาห์เป็นต้นครับนกกานั้นภาษาอังกฤษเรียกว่าเรเวนเรเวนกับกาบ้านเรานั้นต่างกันเล็กน้อยครับก็คือเรเวนนั้นตัวใหญ่กว่ามากตัวใหญ่ๆนั้นอาจจะใหญ่จนถึง หกวเเลยทีเดียวหรือเ0ดเซนแล้วก็มีอายุประมาณ10 1ถึงปีเคยมีบันทึกว่านกกาที่อายุมากที่สุดก็คือประมาณ40ปีหรือเรเวนนั้นก็อายุประมาณ40ปีครับพระเจ้าได้ให้นกนกกาเรเวนนะครับที่ปกติแล้วแม้แต่ลูกเขาเนะ่ะเขายังไม่ได้เลี้ยงนะลูกเขาพอออกจากรังแล้วก็ไปหากินเองเขาไม่ได้เลี้ยง ลูกกานูกกานกไรเว่นไม่ได้เลี้ยงลูกตัวเองแต่พระเจ้าก็บันดาลให้เขาเนี่ยมาเลี้ยงเอริยาได้เลี้ยงด้วยแหละครับเลี้ยงด้วยเลคเคมก็คือขนมปังแท้จริงแล้วคําว่าขนมปังนั้นถ้าเราไปดูว่านกกาหรือไรเว่นมีชีวิตอย่างไรเราพบว่าไรเว่นนั้นมีชีวิตก็คือว่าเขานั้นเป็นสัตว์ที่สามารถล่าเนื้อ และก็ในวิดีโอกันก็กินผลไม้ด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เอลิยารับประทานนั้นก็ไม่คงไม่ใช่เป็นขนมปังที่นกกาขโมยมาแต่ว่าน่าจะเป็นพวกเบอร์รี่ก็คือผลไม้เล็กๆและเนื้อเช่นเดียวกันครับพี่น้องครับเราจะเห็นการทรงเลี้ยงอศัศจรรย์ของพระเจ้าพระเจ้าให้เอลิยานั้นได้รีไัยหลบไัยเข้ามาอยู่ในถิ่นทุรกันดารพระเจ้าก็บรรดาให้ นกกาหรือเรเวนนี้ก็เลี้ยงเอลียาในขาะเดียวกันครับพระเจ้าก็ขยายการช่วยเหลือเพื่อที่พระเจ้าจะพิสูจน์หรือทำให้เห็นว่าพระเจ้านั้นเป็นพระเจ้าของโลกและจักรวาลไม่ใช่เป็นแค่อิสราเอลอย่างเดียวการเลี้ยงดูของพระเจ้าก็ขยายไปถึงหญิงไม้ที่เมืองซาเรฟัดและในวันนี้ผมเกิดมายาวพอสมควรครับ เพื่อที่เราจะรู้เบื้องหลังว่าในที่สุดบุตรชายของหญิงนั้นก็ล้มป่วยอาการสุดหนักลงในที่สุดก็ตายครับแต่สิ่งที่เอริยาทำนะครับก็ตอบสนองต่อความต้องการหรือเรียกว่าการร้องขอด้วยความรู้สึกที่เศร้าโศกเสียใจมากและเชิงประชบประชันเพราะว่าหญิงไม้ซาเรฟัตคนนี้ได้บอกกับ เอริยาว่าโอ้คนของพระเจ้าทําไมทํากับดิฉันอย่างนี้ท่านมาที่นี่เพื่อจะเตือนให้ลึกถึงบาปของดิฉันและประหารลูกชายของดิฉันหรือนั่นคือสิ่งที่เป็นความเข้าใจของผู้หญิงที่อยู่ท่ามกลางพระบาอันเราจะเห็นว่าพระนั้นถ้าทํากับเขาดีเขาก็ให้พรถ้าทํากับเขาไม่ดีเขาก็ลงโทษเอาตายนั่นคือพระต่างชาติหรือ ราบานแต่พระเจ้าของอิสราเอลเป็นยังไงครับพระเจ้าของอิสราเอลไม่ได้เป็นเช่นนั้นพระเจ้าของอิสราเอลนั้นชอบทายุติธรรมในขณะเดียวกันครับมีความรักเอลียาตอบว่าส่งลูกของเจ้ามาให้เราสิแล้วเขาก็รับตัวเด็กอุ้มขึ้นไปห้องชั้นบนแล้วก็วางเด็กนั้นบนเตียงแล้วร้องทูลพระเจ้าสังเกตดูนะครับว่าเอลียาล้องทูลพระเจ้าว่าอย่างไร เอียรลองว่าข้าแต่พระยาวเวพระเจ้าของข้าโปรงโปรงทรงนำความทุกโศกมาอย่างหญิงไม้ซึ่งข้าโปรงอาศัยอยู่ด้วยนี้โดยทำให้ลูกของนางเสียชีวิตหรือนั่นเป็นคำอธิษฐานที่เป็นคำถามกับพระเจ้าครับแต่ว่าเอลิยาเม้นนั้นมีความเชื่อเขาก็ถามพระเจ้าแทนผู้หญิงคนนี้แต่ในขณะเดียวกันครับเขาก็เหยียดตัว เด็กนั้น3าครั้งร้องทูลพระเจ้าอันนั้นเป็นคําอนิษฐานแล้วครับข้าตายพระยาเวพระเจ้าของข้าโปร่งขอโปรดให้เด็กชายคนนี้ฟื้นคืนชีวิตด้วยเถิดนั่นคือคําตอบจากเอลิยาครับว่าพระเจ้าพระยาเวนั้นไม่ได้เป็นพระเจ้าที่นําความทุกโศกมาให้หญิงไม้ครับแต่เป็นพระเจ้าที่ประกอบด้วยความรักและเป็นพระเจ้าที่สามารถทําการอัศจรรย์ได้และในที่สุดครับพระเจ้าสลับฟังคําร้องทูลของเอริยา เด็กนั้นก็ฟื้นคืนชีวิตเอริยาจึงอุ้มเขาลงมาข้างล่างมอบให้แก่มารดาและกล่าวว่าดูเถิดลูกของเจ้ายังมีชีวิตอยู่นั่นคือเหตุการณ์2เหตุการณ์ครับเหตุการณ์แรกก็คือเป็นเหตุการณ์ส่วนตัวที่เอลิยานั้นอยู่กับลูกชายของหญิงไม้ส่วนตัวร้องทูลขอต่อพระเจ้าอีกเหตุการณ์หนึ่งก็คือพาลูกที่ฟื้นคืนชีวิตแล้ว มามอบให้กับลูกแล้วบอกว่าดูเถิดลูกของเจ้ายังมีชีวิตอยู่นั่นหมายถึงอะไรครับหมายถึงสมุติฐานของผู้หญิงคนนี้ที่บอกว่าท่านมาที่นี่เพื่อเตือนระลึกให้ให้ระลึกถึงบาปและประหารลูกชายหรือคำตอบคือไม่ใช่ครับแล้วเป็นคำตอบของคำอธิษฐานแบบคาถามของเอริยาที่บอกว่าป้งชงนำความทุกข์มาให้หญิงใหม่ โดยทำให้ลูกของนางเสียชีวิตหรือคำตอบก็คือไม่ใช่ครับพระเจ้านั้นได้ทรงนำเอลียาห์มาเพื่อที่จะนำความชื่นชมินดีนำการเลี้ยงดูมายังครอบครัวของหญิงไม่สาเรฟาตคนนี้และนี่คือพระคุณแบบสุดๆดครับเพราะว่าความรักของพระเจ้านั้นขยายไปถึงคนต่างชาติด้วยและนี่เป็นเหตุการณ์ครั้งแรกของการ เป็นขึ้นมาจากความตายที่ได้บันทึกอยู่ในพระคัมภีร์พี่น้องครับเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่นะครับแต่ยังไงก็ตามการฟื้นขึ้นจาความตายของเด็กชายคนนี้ก็ในที่สุดเด็กชายนี้ตายแต่การฟื้นคืนชีวิตหรือการฟื้นคืนพระชนของพระเยซูนั้นเป็นการฟื้นคืนพระชนเป็นเคสแรกที่พระเยซูไม่ตายอีก และนั่นคือการเป็นขี้นปียความตายของพวกเราด้วยการเป็นขี้นปียความตายของพวกเราในอนาคตนั้นเราก็จะเป็นขี้นปียความตายและเราไม่ตายอีกพี่น้องครับพระวจนะของพระเจ้าตอนนี้เราจะเห็นว่าหญิงไม้ชาวซาเรฟัตเขาได้เห็นเห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเห็นถึงว่าพระเจ้านั้นเป็นใครพระเจ้าเป็นความรักแม้ว่าพระเจ้าจะทรงการ ทำการอัศจรรย์ในชีวิตของเราพี่น้องครับพระเจ้าเลี้ยงดูผู้หญิงชาลีฟัตที่เป็นหญิงใหม่แต่ว่ายังมีปัญหาต่อต่อมาก็คือผู้หญิงคนนี้ลูกชายเขาตายพี่น้องครับการอัศจรรย์เกิดขึ้นในชีวิตของเราแต่บางครัง้งบางทีปัญหาของเราอาจจะยังไม่หมดไปอาจจะมีปัญหาใหม่เพิ่มขึ้นผมอยากจะให้กําลังใจว่าการจัดเตรียมของพระเจ้านั้นจะมาถึงชีวิตของเราเสมอครับ ถ้าเราเป็นคนที่อยู่ในแผนการของพระเจ้าเราเป็นคนที่ดําเนินชีวิตอยู่ในแผนการของพระเจ้าเราเป็นคนที่มีชีวิตอยู่ภายใต้การทรงนําของพระเจ้าเราเป็นคนที่มีชีวิตอยู่ในการเชื่อฟังพระเจ้าการกระดาอาหารเป็นประสบการณ์ของหญิงม่ายที่ไร้แรงมากแต่ยังมีสิ่งที่เลวร้ายมากกว่านั้นก็คือความตายของลูกชายของเขาแต่การจัดเตรียมของพระเจ้าได้มีไว้ให้เราวางใจพระองค์ครับ เราจําเป็นท้้งพึ่งพาพระองค์ทุกครั้งที่เราจ ะ, ะเผชิญกับการทดลองใหม่ๆเรารเผชิญกับปัญหาใหม่ๆเรารเผชิญกับสิ่งต่างๆใหม่ๆที่อาจจะเป็นทางลบแต่พระเจ้าของเรานั้นสามารถแก้ปัญหาให้เราได้ทุกวันทุกเวลานั่นคือสิ่งที่เป็นพระคุณของพระเจ้าในเช้าวันนี้บางท่านอาจจะมีคําถามว่าทําไมอริยาต้องขึ้นไปนอนทับบนตัวเด็กสามครั้งอันนั้นคือ เรียกว่าเป็น parable act นะครับก็คือการกระทาที่แสดงออกถึงเรียกว่าความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันคำอธิษฐานของอริยานั้นจะเป็นคำอธิษฐานของแม่ของเด็กคนนี้ก็คือหญิงไม่การอธิษฐานเผื่อซึ่งการละกันนั้นเราจะต้อง identify ตัวเองให้กลายเป็นผู้ที่รับความทุกข์ยากลำบาก พี่น้องครับหมายความว่าย่งครับหมายความว่าเวลาที่เราอธิษฐานเผื่อคนอื่นอธิษฐานวิงวอนเผื่อคนอื่นนั้นเราจะต้องอธิษฐานดังเฉกเช่นตัวเราเองนั้นเป็นคนคนนั้นพี่น้องครับการอธิษฐานเผื่อของเราหลายๆลครั้งเราอธิษฐานแบบผ่านๆไปแต่พี่น้องครับการอธิษฐานเผื่อของเออยาไม่ใช่อย่างนั้นครับเขานั้นต้องแทนที่จะวางมือแล้วเด็กคนนี้จะฟื้นขึ้นมาแต่ท่านนอนอธิษฐานทับถึง3ามครั้ง นั่นเป็นการแสดงว่าท่านกำลัง Identify หรือทำให้ตัวเองเป็นเหมือนกับเด็กคนนี้หรือความต้องการของตัวเองนั้นเป็นความต้องการที่เห็นอกเห็นใจอย่างสุดๆครับนั่นคือท่าทีที่เราจะควรจะต้องมีในการอธิษฐานเผื่อคนอื่นพี่น้องครับนั่นคือบทเรียนสาหรับผมเช่นเดียวกันและสำหรับพี่น้องทั้งหลายด้วยเวลาที่เราจะอธิษฐานเผื่อใครเราจะต้องไอด n นติฟายตัวเราเอง เป็นเสมือนคนคนนั้นครับเราไม่ควรอธิษฐานแบบลวกๆให้มันผ่านๆไปนั่นคือบทเรียนชีวิตแห่งการอธิษฐานของเราบทใหม่อาเมน